ศีล น, นะฮะ เ, เราเข้าใจศีลว่าเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสระดับระดับ ล, ล่างๆใช่ไหมครับระดับต้นๆนะแต่ว่าพอไปเจ อ, เอไปอ่านในคุธการนิกาปฏิสัมพิธามัชศีลมัยญาณ น, นิเทศนี่โอ้ศีล น, นี่อธิบายถึงโน้นเลยครับสูงเหลือเกินนะนะลองฟังดูนะ ศีลห้าก็คือการละปานาติบาที่เราเข้าใจกันใช่ไหมครับการละอธทินนาทานละวจีทุจริตนะครับแล้วก็การที่มีมโนทุจริตเนี่ยเราละกิเลสเช่นละพยาบาทด้วยเมตตานี้เป็นศีลอย่างหนึง่งนะครับละนิวรด้วยฌานนะเช่นละวิตกด้วยทุติยฌาน ละนิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนานี่ขึ้นวิปัสนาเลย น, นันี่ละสักกายาทิฏฐิด้วยโสตาปฏิมักละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักกาละนันนันเป็นศีลชื่อปริยันตะปาริปาริสุดที่ศีลแสดงว่า เ, เรื่องศีลนี่สามารถอธิบายไปถึงขั้นสูงขนาด น, นั้นเลยครับผมเห็นเป็นข้อความที่ เป็นข้อความที่ไม่เคยเคยได้ยินมาก่อนนี่นะหมายความว่าศีเนี่ยเป็นการละตั้งแต่กิเลสขั้นต้นๆใช่ั้ยครับจนกระทั่งขั้นกลางคือการละพุ่งนิวรณ์ต่างๆแล้วก็ละสักกายทิฐิคือบันเบื้องสูงเลยเนะครับการละนั้ น, น, นเป็นศีนชื่อปริยันตะปาริสุทธิศีนซึ่งผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันปริยันตะ ปริสุทธิ์ีนี่นะครับเ อ, อไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันกันนี้ก็เห็นข้อความแปลกๆก็นํามาเสนอนท่านเท่านั้นเองครับคงไม่มีอะไรครับ <ừ. S 1> แล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงด้วยท่านจะอะไรมื่อไรครับผมมันยากมากครับผมเห็นแปลกดีนะศินคืออะไรกศินคืออะไร อะไรคือสีวันนี้กวนลุงสอนสีนะครับสีคือเจตนาเป็นสีเจตนาคือสีสองเจตสิกเป็นสีเจตสิกเป็นสีสามสังวรสังวรเป็นสีสี่ออาวิติกรมะเป็นสีวิติกมะเป็นสีได้ไงเข้าอยู่อันไหนครับอันที่ว่าลึกๆงสูงเนี่ยครับอันที่ว่าลึกๆเนี่ยเข้ามเลย เจตนามีกี่ยาเจตนาเป็นศีลเนี่ยเจตนามีกี่ยาที่เป็นศีลสองอย่างนะเจตนาของบุคคลผู้เวีนจากกายทุจริตและวจีทุจริตเรียกว่าเจตนาศีลและเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัตินะมีอาจารย์วัดอุปชายวัดเป็นต้นคือวารีตศีลกับจารีตศีล น, นั่นเอง ทีนี้ต่อไปว่าเจตสิกศีนได้แก่อะไรเจตสิกศีนได้แก่มโนสุจริตสามนะหนึ่งอนัพิชาอัพยาปาทะาและสมาธิทิอันนี้เรียกว่าเจตสิกศีนวิรตีสามดวงก็เรียกว่าเจตสิกศีนวิรตินี้กิร่วมกับจิตได้กี่ดวง วีระตีเกิดร่วมกับมหากุศลจิต8ดแล้วก็โลกุตระกุศลอีก8ปดหรือสี่สิบอันวีระตีนั้นเกิดแม้กระทั่งกับมหากุศลด้วยเกิดกับโลกุตระกุศลด้วยนะอันนี้เรียกว่าเจตสิกสินเจตสิกศินะศศมีหกหสภาวะคือวีระตีสามกับมโนสุจริสาต่อไปสังวรศีนสัสงวรมีกี่อย่าง สังวรมีกี่อย่างนะห้าอย่างเนาะนะหนึ่งสีลสังวรสองสติสังวรสามญาณสังวรสี่ขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรนะเจสิกตั้งหลายตัวเลยนะสีลสังวรอ่าส่วนใหญ่และสำเร็จด้วยศรัทธา ถ้าหากว่าสติสังวรก็สําเร็จด้วยสติใช่ไหมก็คือตัวสติสติเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงญาณสังวรเนี่ยปัญญาเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปวิริยะสังวรเนี่ยวิริยะเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงมรรคจิตมีวิริยะเกิดร่วมด้วยไหมยอย่างนี้จะเห็นว่าคําว่าสี น, นั้นไม่ใช่ธรรมดาเมื่อวานกล่าวว่าศีลมีสองสองความหมายใช่ไหมสีนเนี่ยเพราะอัฏฐาว่า สีละณนะคือเป็นบางบางท่านแปลว่ามูลรากสีละณะนี้มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งก็คื อ, อรวบรวมหรือควบคุมกายวาจาไม่ให้กระจัดกระจายเสียหายาที่สองก็คือเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้น ส, สูงต่อไปแต่ถ้าหากว่าในระดับสูงสุดแล้ววีรตีเจตสิกสีเนี่ยก็เกิดร่วมกับมัคคจิตและผลจิตด้วย พันศีนั้นไม่ธรรมดาแต่ทีนี้คำใดก็ตามที่เราใช้เกล์คานั้นจะไม่ลึกซึ้งแะแรกๆลึกซึ้งมากคำเหล่านั้นเมื่อมาใช้บ่อยๆเข้าก็เลยชินเลยเรือแต่ศัก็ก็แสดงว่าเรื่องสิกขาสามนี่ก็ต้องเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไปจนจุดท้ายเลยใช่ไหมครับเกี่ยวข้องพยุงกันไปผสมผสมกันไปตลอดเลยสิกขาสามนั้นจะชาระเส้นกันแล้วกัน ศีลเนี่ยชำระสมาธิสมาธิชำระปัญญาปัญญาชำระศีลศีลก็จะชำระสมาธินะน่ะมันจะชำระช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนกว่าจะสมำเสมอกันบริบูรณ์ซึ่งกันและกันนั่นแหละจึงจะมีการตรัสรู้อริยสัจได้นะเพราะว่าศีลเนี่ยก็คือตระกูลสัตตินศีนั่นเองถ้าสัตตินศีไม่ดีศีลก็ไม่ดีวิริยศีไม่ดีศีลก็ไม่ดี มันพวกสัตทินรียกับวิริยินศีเนี่ยนะก็คือเน้นไปที่ที่ศีนนั่นเองเน้นไปที่ศีนสตินรียสมาทินรีก็สมาธิปัญญินรียก็ตะกูลปัญญาอยู่แล้วนะแต่บางแห่งทั่วไปก็บอกว่าวิริยินรียก็คือสมาธินะวิริยินรีย์สตินรียสมาทินรีสามตัวนี้เป็นสมาธิแล้วก็ปัญญินรียก็ได้แก่ปัญญาสัตทินรียนั้นก็คือเกี่ยวกับศีลเป็นต้นนั่นเอง เพราะว่าผู้ที่ศรัทธาในพระตนะตรายแล้วก็สามารถที่จะยังศีลให้บริบูรณ์ได้ถ้าไม่ศรัทธาในพระตนะตรายจริงๆก็ไม่สามารถที่จะประพฤติศีลให้บริบูรณ์ได้นั่นแหละฮัลสีนี้มีมีการสําเร็จด้วยศ ร, ยาารัทธาเป็นไปสำหรับเรื่องเมื่อกีนนี้ก็แจมแจ้งมากเลยครับใครยังไม่แจมแจ้ง ม, ม, มั่งมีไหม เอสีมีอะไรบ้างครับอันนี้ต้องจํานะอันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นหัวข้อที่ควรจะต้องจํานะเพราะว่ามันจะทําให้เราเหมือนกับที่เราจําหัวข้อเรื่องจเจริญพุท ธ, ธานุสติอ่ะเรื่องสีนี้ต้องจํำนะหนึ่งสีนะเจตนาเป็นสีมีอะไรบ้างนะเป็นเบื้องต้นเลยเจตนาเป็นสีนี่นะแบ่งออกเป็นสองนะเป็นเรื่องมีวิรัติกับ จารีตศีลสองอย่างใช่ไหมศีนเว้นกับศีลต้องทำนะฮหนึ่งเจตนาเป็นศีนสองเจตสิกเป็นศีลต้องจําแล้วเจตสิกเป็นศีลมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อสังวรเป็นศีลนะครับแล้วก็อวิธีกรรมมาเป็นศีลอันนี้สีข้อต้องจําหน่อยแล้วจาในรายละเอียดหน่อยนะคงคงไม่ไม่เอาวันนี้นะนะถ้าสีข้อนี้ถ้าพอรจําแล้วนะครับจะจะทําให้อ อะไรอ่ะไปต่อเติมเสริมแต่งให้ใหญ่โตได้ทีหลังนะอย่าลืมนะถ้าอยางเอาอรายละเอียดก็ไว้ว่าทีหลังศีลเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นดิน น, นะเนาะถ้าหากว่าแผ่นดินไม่ดีแล้วก็คงทําอะไรยากนะศีลเหล่านี้ก็เหมือนกันจนกว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจเพรันศีลเนี่ยนะจะชําระจิตศีลเนี่ยเป็นตัวชําระจิตนะ เมื่อจิตดีก็สามารถที่จะปรารบพุทธคุณได้ดีถ้าหากว่าปรารบพุทธคุณได้ดีนะวิปัสสนาไม่ยากถ้าผู้ที่สามารถเจริญพุทธานุสติมากๆการเจริญวิปัสสนาก็จะไม่ยากเพราะพุทธานุสตินะทุกบทเลยเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาหมดเลยนะอระรหังก็เกี่ยวข้องกับวิปัสสนา สัมมาสัมพุทโธนี้วิปัสนาเกือบจะลุ้นเลยวิชาก็เกี่ยวกับวิปัสนาวิชาแปดเนี่ยวิปัสนาญาณก็คือวิปัสนาวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าตัวปัญญาก็เกี่ยวข้องกับวิปัสนาอีกนั่นแหละสุขโตก็เกี่ยวข้องกับวิปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ตามระลึกนึกถึงพุทธคุณได้มากๆเรื่องวิปัสสนาก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้มากกว่าวิปัสนา รู้ถึงโน้นมรรคผลนิพพานรู้ทุกอย่างนั่นแหละอันถ้าปรึกถึงพุทธคุณได้มิปั ส, สนาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไร่ถ้าอยากจะจดก็กกกกจดตัวข้อไปก็ได้นะเจตนานิสัยนะครับก็มีวิวาริตศสีนะเป็นเรื่องของเวน้นงดเว้นทั้งหลายเช่นงดเวน้นทุจริตทางกายทางวาจานี่นะเช่นศีลห้าี น, 5, น 8, แปดอะไรเนี่ยนะครับสีนสิบเนี่ยหรือว่า เป็นแม้แต่ปาติโมกขะสังวรศี น, นบางละก็มีอยู่ในเรื่องการงดเว้นนีนน่นะครับก็มีวาลิตตศีนนะครับงดเว้นทางกายวาจาง่ายๆเท่านั้นละกันงดเว้นทุจริตทางกายวาจาแล้วก็มีไอเจตนาศีนเนี่ยแบ่งเป็นสองนะหนวาลิตศีนและจาริตตศีนจาริตตศีนคือจารีตประเพณีนั่นแหละจาริตรศีนก็คือการธนุบํารุงการ ปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ในฐานะลูกหรือว่าปฏิบัติอุปชายะในฐานะลูกศิษย์ปฏิบัติครูบาอาจารย์ในฐานะลูกศิษย์เนี่ยเรียกว่าจารีตประเพนีจารีตตศีล น, นี่นะเพราะฉะนั้นเจตนาศีเจตนาเป็นเจตนาศีนเนี่ยก็มีอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับหนึ่งก็ศีนธรรมดาธรรมดานะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่เราไม่ค่อยชินก็คือจาริตศีล น, นะฮะคือเจตนาตั้งใจปฏิบัติ วัดต่างๆมีปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นอันที่สองก็คือเจตสิกเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลนี่ก็จำง่ายๆก็คือศีลในมัสมีองแปดนั่นแหละสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมโดยอนัพพิชาอัพยาปทาะาทันมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ นี่นะนี่ก็อยู่ในนั้นแหละเห็นชัดใช่ไหมอยู่ในอริยมรรคมีองคนะ์แน่ะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาอาชิวะนะเจ็ดสี่หกดวงนะนี่หมดไป3แล้วสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาอาชิวะหมดไป3แล้วนะแล้วก็4ก็คืออนะพิชชานี่ไม่ไม่ใช่นี่ตรงข้ากับโลภะอนะพิชชานะได้แก่อะโลภะ แล้วก็อัพยาปาทาองค์ธรรมได้แก่อโทสะจะเป็นอารมภาคก็ได้อโทสาก็ได้เนะแล้วก็เจตสิกตัวที่หก็คือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิคืออโมหะสรุปแล้วก็คือศีลในอริมังมีองแปดมีองแปดสามองสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวะแล้วก็ อโลพะอโทสะอาโมหานั่นเองอะโละอโทสะอาโมหะเป็นเจตสิกหกดวงอันนี้ควรจะต้องจําไว้นะเจตสิกเป็นศีลส่วนสังวรเป็นศีลนี่ก็หนึ่งปาติโมขสังวรศีลสองก็สองก็อ่อาสองก็จินชียะสังวรเดี๋ยวตรงนี้ท่านแสดงในลักษณะหนึ่งนะศีลละสังวร สองสติสังวรจะได้ครับนะนนหนึ่งสีลสังวรสองสติสังวรสามิลียาสังวร อ, อะไรนะอะสําหรับสังวรสีนี่นะหนึ่งสีลสังวรเช่นปฏิโมกให้ตัวอย่างไว้นิดหนึ่งศีลสังวรเช่นปาติโมกนะสำเร็จด้วยศรัทธา สติสังวรเช่นอินสียสังวรนี่เรียกว่าสติสังวรสติสังวรเช่นอินสียสังวรลศีแล้วก็วิริยะสังวรเช่นอาชีวปาริสุทธิศีล น, นะต้องคุ้ความเพียรหน่อยที่จะมีอาชีพสุจริตนี่เช่นพระก็อาศัยบิณฑบาตนะครับสำเร็จด้วยวิรยิยะขันติสังวร ได้แก่อโทสัะยาณสังวรเช่นปัจจะสันนิศิตศีนิษเป็นเป็นยาณสังวรนะเช่นการพิจารณาปัจจัยต่างๆก่อนที่จะบริโภคนะเว้นข้อสี่คือสัข น, สนะ น, นขันติสังวรนะเว้นเว้นขันติสังวรนะเหลืออีกสีไอ้ทั้งหมดมันหใช่ไหมครับ เว้นขันติสังวรนะนอกนั้นมีชื่อใหม่ว่าปาริสุทธิศีนสีปาริสุทธิศีลเว้นขันติสังวรนะและอีกสตัวนั่นน่ะชื่อมีชื่อว่าปาริสุทธิ์ทศินหนึ่งเช่นปาติโมขาสังวรศีลสอินศียสังวรศีลปัจเจยสันนิสิตศีลอาชีวปาลิสุทธิศีลมีชื่อใหม่ชื่อว่าปาริสุทธิ์อ่าปาลิสุทธิศีลสีซึ่งเรามักจะได้ยินบ่อยๆนะอันนี้ จตุปาริสุทธิีินเนอะจตุปาริสุทธิสินนะอีกอันหนึ่งคืออวีติกมาศสีนี่ผมไม่เข้าใจผมต้องให้อาจารย์อธิบายแล้วผมจะอ่านให้ฟังก็ได้อวีติกมาศสีนี่นะเป็นเป็นเป็นศีลกลุ่มที่สี่แต่ความจริงสามกลุ่มก็พอแล้วมั้งแค่นี้ก็พอเป็นโครงให้ตึง<ข>อะไรตออะไรไปที่เยอะแยะนะก็บอกว่าการไม่ล่วงละเมิดของบุคคลผู้สมท า, าน <อ> <กา S 1> วิติกรกรรม ว, จ, วจีกรมะนะกรมเหมือนนะอ่วิติกกรรมสีก็เอาเอาไปหน่อยก็ดีคือกุศลที่เกิดจากการไม่ล่วงละเมิดทุจริตทางกายทางวาจาแม่กุศลจิตทุกดวงที่เกี่ยวกับศีลก็เป็นศีลแม่กุศลจิตทุกดวงที่เกี่ยวกับศีลก็เป็นศีลของผู้สมาทานอันนี้ก็ผมก็ต้องยกให้อาจารย์ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คืออวิติกกรมะนี้ในวิสุทธิมรรค ศีลนิเทศท่านกล่าวว่าเป็นกุศลที่บุคคลสมท า, านทางกายกรรมวจีกรรมแล้วไม่ล่วงละเมิดออกมานะกุศลอนนั้นไม่ละเมิดอันนั้นชื่อว่าอาวิติกมะศีนถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีนนะภาคพิสดานหน่อยก็ดูในวิสุทธิมารศีลนิเทศเล่มหนึ่งเลยนะเล่มหนึ่งเลยศีลนิเทศเกี่ยวกับเรื่องศีนแล้วถ้าอ่านเรื่องศีลตรงนั้นจะเห็นว่า ศีนนั้นถึงโลกุตระเพราะวิปัสสนาก็เป็นศีลแต่เป็นอะไรเป็นญาณสังวระเป็นศีนเหมือนกันเป็นญาณสังบอดอ น, นี้เป็ น, นเป็ น, เ ป, นเป็นโครงสร้างของธรรมะที่ควรที่จะต้องอย่างน้อยที่สุดเขควรจะต้องจําละทรงไว้ทรงไว้ละนะทร ง, นะ ท, รงทรงจําธรรมะนี้ไว้ แล้วจะได้ประโยชน์มากๆเลยพอพูดถึงเรื่องศีลปั๊บนี่เราเรามองเห็นภาพเลยวันนี้ท่านคอหายดีหรือยังครับเอาดูอีกนิดนึงนะพูดถึงว่าพูดถึงว่าในสมัยพุทธกาลนี่นะะสมัยนี้เรามีเครื่องช่วยสอนเยอะแยะใช่ไหมครับ มีตัวอย่างมีสไลด์มีเทปมีอะไรตั้ลายนี่นะแต่สมัยพุทธกาลนั่นน่ยท่านก็เวลาท่านสอนท่านจะชี้ให้เห็นของจริงๆเลยเนเช่นเห็นฟองน้ำไหลามาในแม่น้ำคงคาก็พระองค์ก็อุปมาให้ดูนะฟองน้ำเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนรูปนี่นะครับนะหรือว่าต่อมน้ำก็เหมือนเบทานาเนี่ยพระองค์พระองค์ะงจะ ยกสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็จะอุปมาแล้วก็เทศนานะครับเราจะเห็นว่าแม้แต่กาแม้แต่ขอโทษนะอีกาอีกาเนี่ยนะแม้แต่อีกาเนี่ยนะพระองค์ก็ยังยกยกขึ้นมานะอุปมาอุปมาให้ดูนะนี่มาจากมิลินทปัญหานะฮะพระเจ้ามิลินถามพระ น, นักเสศพระคุณเจ้านาคเสณ ท่านกล่าวว่าพึงถือเอาองสองแห่งกาองสองที่พึงถือเอานั้นเป็นไงเ น, นี่ยเอาอีกกามาเป็นตัวอย่างในกนารสอนธรรมะนะซึ่งพระเจ้ามิลินนี้ก็ไม่ได้ยกออกมาจากไหนนะครับนอกจะเอามาจากพุทธพจน์นะครับไม่ใช่ว่าคิดขึ้นเอาเองนะครับนะพระนักเกษสก็ตอบบอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่ากา เอาแต่สงสัยระแวงภัยภาคเพียนขวนขวายเที่ยวไปอยู่ชั้นใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงเป็นผู้เอาแต่สงสัยระแวงภัยภาคเพียนขวนขวายสํารวมอินทรีย์ทั้งหลายด้วยสติตั้งมั่นเที่ยวไปชั้นนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่หนึ่งแห่งกา ที่พึ่งถือเอานะพอได้ยินตรงนี้ว่าสํารวมอินทรีย์นี่มาเนี่ยสํารวมร อ, อินทรีย์นี่เราพอเราท่องศีลได้เราเราเราพอจะเริ่มต้นได้แล้วอินทรีย์สังวรศีนใช่ไหมครับเป็นสติสังวรนะเพราะฉพอเราพอเร า, พอเราท่องอยู่ในใจพอเราได้ยินตรงนี้ปั้มเนี่ยนะเราพอมองเห็นแล้วว่าอา อ, าอาจะปฏิบัติอย่างไรนะฮะพระนักเกษณ <c oughs> ก็ตอบบอกว่า กานะเป็นสัตว์ที่มักระแวงภัยนะฮะท่านก็นบอกว่าอาถรพะโยคาวาจนะจอนน่ะต้องระแวงภัยเหมือนกันนะแต่ระแวงภัยที่มาสู่จิตของของของพโยคาวาจรที่จะไม่ให้ตกไปในเป็น อ, อกุศลซึ่งยากมากไม่ใช่ง่ายเลยนะครับแต่ให้มันระแวงไวแม้แต่นิดเดียวก็ต้องรักษาไวนะครับ ในอัธกถาท่านว่าไว้อย่างนั้นนะครับแสดงว่าเป็นพระหรือว่าเป็นเพศบรรพชิตนี่ต้องมีความระมัดระวังอาบัตเป็นพิเศษทีเดียวนะน้ำปันะยกมานี่ไม่ใช่ยกมาถวายปั๊บก็ดื่มเอื้อเลยไม่ใช่นะ ม, มองดูกลองหรือยังเนี่ย คือเราแวงต้องเรงาแหวนไปแม้แต่อบัตินิดเดียวก็ต้องระวังใช่ไหมครับออันนี้ก็เป็นองค์หนึ่งของกานะครับที่พึงถือเอามาเป็นตัวอย่างนะครับท่านจะเพิมเติมอะไรไหมครับช่วงนี้ไม่มีเลยครับเอาอย่างกาเลยครับนะ ยังมีอีกองคหนึ่งนะธรรมดาว่ากาเนี่ยพบของกินอะไรแล้วก็แบ่งกันกินกับพวกพวกมันนะนะกับพวกญาติชั้นใดขอถวายพระพรลาบที่เกิดโดยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม่เพียงของกินที่เนื่องอยู่ในบาทเหล่านั้นใดลาบเห็นปานนั้นเหล่านั้นพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียร พึงแบ่งกันฉันกับเพื่อนพรหมจันท์ผู้มีศีลทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรนี่คือองค์ที่สองแห่งกาที่พึงถือเอาขอถวายพระพรท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเทระได้พาศิตความข้อนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าพวกคนทั้งหลายน้อมเอาเอาโภชนะตามที่ได้มาเข้าไปให้เรา เราก็จะแบ่งให้ภิกษุผู้มีตาบะทั่วทุกรูปแล้วจึงจะบริโภคอาหารหลังจากนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เอาอีการนะครับเอาเยี่ยงมันมานะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าพระองค์ยกยกเอาตัวอย่างจริงๆมาให้ดูนะฮะอันนี้นี่ก็ไม่มีอะไรคงจะคงจะไม่มีอะไรลึกซึ้นใช่ไหมครับนะแต่ว่ามีได้มาโดยธรรม นะแสดงว่าต้องอาชีวปาริสุทธิ์ศีลใช่ไหมครับ อ, อันนี้เข้าอีกแล้วใช่หมเพราะถ้าเราท่องปั๊มเนี้ยเราก็จะมีอะไรแต่อะไรมันชักสนุกขึ้นนะถ้าไม่ท่องนะนึกไม่ค่อยออกนะถ้าท่องไวนะครับก็จะทำให้เราเนี่เห็นอีกแล้วนี่มาเชื่อมโยงแล้วนะลาบที่เกิดโดยธรรมได้มาโดยธรรมนะฮะอันนี้ท่านขยายสั้นนิดที่ครับได้มาโดยธรรมได้ยังมาไงท่านได้มาทุกวันเนี่ยได้มายังไงครับ ท่านแบ่งให้หลวงพี่สมชายผมเ ป, เปล่าครับท่านเลยต้องมาแบ่งให้เลยไหมไ <c oughs> ม่ได้บินทบาทมนาะสิบกว่าวันแล้วอา่าคว่าสาธารณโพคีนะเมื่อกี้เนี่ยมาจากสับบาลีว่าสาธารณโพคีก็คือการบริโภคเป็นสาธารณนะมีเป็นผู้มีการบริโภคเป็นสาธารณเลยไม่ตันีทีเดียว ธรรมะกลุ่มนี้มาจากสารานิยธรรมสารานิยธรรมนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้ระลึกถึงกันนะธรรมะที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันนะข้อ1เมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังข้อ2เมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลาบหลังข้อสา เมตตามโนกรรมทางต่อหน้าและลาบหลังต่อไปก็เป็นผู้ที่มีศีละสามั ญ, ญาตามีศีเสมอกันข้อต่อไปข้อห้านะทิฏฐิสามั ญ, ญาตาเป็นผู้ที่มีความรู้เสมอกันทิฏฐินี่ความรู้ความเข้าใจความเห็นนะนะแต่ในที่นี้หมายถึงสมาธิแล้วก็ข้อสุดท้าย สาธารณโภคีเป็นผู้ที่มีการบริโภคสาธารณะทั่วไปนะผู้ที่จะบำเพ็ญสารานิยธรรมในข้อสุดท้ายได้ดีนั้นแสดงว่าคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมต่อหน้าและลับหลังเมตตากายกรรมต่อหน้าเป็นอย่างไรนะเห็นคนอื่น เขามีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเขานะเห็นพอหยิบได้ก็ช่วยหยิบเห็นพอยกได้ก็ช่วยยกแต่เป็นพระเนนก็พอเย็บเท่าเย็บก็ช่วยเย็บนะเขาทำงานอย่างใดก็ตามที่เป็นงานการงานถูกโดยธรรมโดยวินยัยก็เข้าไปช่วยเหลือกันลักษณะนี้เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมต่อหนะ้าเมตตากายกรรมต่อหน้า ส่วนเมตตากายกรรมลับหลังก็คือเพื่อนสหธรรมิกท่านเก็บข้าวของเครื่องใช้ลืมไปนะไปวางข้าวของไว้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กวาดวางไว้เกะกะก็ไม่บน่นไม่ตำหนิเดินไปเก็บเอาไปวางเหมือนกับตัวเองเนี่ยทำให้เองนะไปเก็บไปวางไว้อันนี้เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมลับหลัง เห็นคนอื่นเขาเาเก็บข้าวเก็บของแก้วน้ำขวดน้ำเป็นต้นเนี่ยไม่บ่นไม่นึกตำหนิเลยในใจนี้ไม่นึกตำหนิแม้แต่ข้อเดียวไม่รู้สึกว่าต้องตำหนิท่านดูหมิ่นเยียบยา้งดูแคลนไม่มีสักอย่างแต่เข้าไปทำเหมือนกับที่ตัวเองทำเอาไว้แต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นในฐานะครูบาอาจารย์ก็จะมีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าอีกนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะแนะนาตักเตือนกัน นะการแนะนําตักเตือนกันโดยธรรมนั้นเรียกว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้านะก็บอกนะว่าการวางข้าวของอย่างนี้นะถ้าวางไว้กลางแจ้งไม่เก็บเดินห่างออกไปเป็นอาบัตนะก็จะมีการแนะนําว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนแต่ไม่ใช่ทําด้วยโทรศพอันนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้าการกล่าวเป็นอัดเป็นธ ร, รมเป็นวิในเป็นคำํำสอนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเมตตากายกรรม เมตตาวาจีกรรมถอนหน้าการพูดการด้วยเมตตาจิตแลวก็เมตตาวาจีกรรมรับหลังก็คือกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความยกย่องนะพูดถึงด้วยเมตตาอย่างเช่นโอ้ยพระคุณเจ้าพระอาะจารย์สุโมนอย่างเงี้ยท่านก็คือพูดถึงด้วยความเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งพูดด้วยเมตตานะไม่ใช่นินทาตรงกันข้ามกับ น, นินทานะพูดยกย่องในที่รับ เรียกว่าเมตตาวจีกรรมรับหลังและต่อไปได้เลยนะได้เมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังต่อไปเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้าก็คือไม่แสดงกิริยาอาการที่ดุร้ายให้เห็นต่อหน้ า, าเช่นไม่แสดงกิริยาโดยที่สายต า, นะ า, ยตามองให้มัน หัวใจช็อกตายได้กับทํำอะไรลักษณะนี้ขาดเมตตาละนะนั้นเมตตาก็คือมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักเป็นต้นเนี่นะหวังดีปรารถนาดีต่อกันจริงๆลักษณะนี้เรียกว่าเมตตามโนกรรมต่อหน้าส่วนเมตตามโนกรรมรับหลังเป็นอย่างไรเคยนึกให้คนอื่นมีความสุขไหมนะ ขอให้บุคคลนู้นเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญซึ่งเราจะได้ศึกษาเรื่องพรหมิหารต่อไปอนั้นก็คือเมตามนโนกรรมรับหลังนะการเจริญเมตานั่นเองก็คือการเจริญเมตามนโนกรรมรับหลังถ้าหากว่าบุคคลที่เจริญได้มากๆนะเมตาก็จะแผ่ไปเป็นอัปปมัญญาได้ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญเมตตากายกรรมดี จเจริญเมตตาวาจีกรรมดีจเจริญเมตตามนโนกรรมดีการจเจริญภาวนาให้ได้ชาญเนี่ยไม่ใช่ของยากนะเพราะไม่นึกเรียกว่ากายกรรมไม่ตําหนิใครเลยวจีกรรมไม่ตําหนิมนโนกรรมเนี่ยนะคิดดูหมิ่นไม่มีแม้แต่คําเดียวคิดดูหมิ่นคิดเหยียดยม้มคิดตาหนิคิดชิงคิดชังไม่มีแต่ไม่ใช่ไม่รู้ดีรู้ชั่วนะ เพราะคนที่เจริญเญมตตาเป็นต้นนี่เขามีปัญญาเขามองออกอะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงอะไรต่ำอะไรดาอะไรเขาเขามองออกอยู่แล้วแต่ไม่ใส่ใจในความไม่ดีอันนั้นไม่ใส่ใจนะเพราะว่าความไม่ดีของแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนอยู่แล้วมีคนที่คอยสะสางให้อยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นตํารวจสากลคอยกดแห่งกรรมสากนเลยนะ แกคิดไม่ดีแกต้องบาปอย่างเงี้ยไม่ต้องอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นธรำหน้าที่สาธารณะเจ้ากรรมนายเวรที่นะไม่ต้องอเพราะว่าเจตนาของเขานั้นยุติธรรมแล้วละอ่าการที่บุคคลที่เจริญเมตตาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มาศึกษาข้อมูลเรื่องพรหมิหารก็สา ม, มารถที่จะเจริญเมตตาต่อไปได้อ น, นะทั้นการเจริญเมตตานั้นมีทั้งกายกรรมเมตตาทั้งวจีกรรมและเมตตา มนโนกรรมดังนั้นคนที่มีเมตตาอย่างนี้บ่อยๆก็จะมีศีลดีเขาเรียกว่าศีลสม่ำเสมอกันกับเพื่อนสหธรรมิกศีลในคำสอนของพระผู้มีพระภาคและต่อไปก็มีทิฏฐิเสมอกานเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาทิฏฐิในที่นี้ก็คือมีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันคธอมีความรู้ความเข้าใจในคำสอนแนวเดียวกันอันนี้นเขาเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตา คําสอนว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นแหละว่าอย่างนี้ทุกองค์ว่าก็พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้แหละลักษณะนี้เป็นต้นนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิสามัญญตาพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมมีผลก็ว่ากรรมมีผลเหมือนกันนั่นแหละเข้าใจเหมือนกันนะวิปัสสนาที่บุคคลเจริญแล้วเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานอย่างเงี้ยเหมือนกันก็มีแนวความคิดความเห็นเนี่ยลักษณะเดียวกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตา และข้อสุดท้ายสาธารณโภคีได้อาหารมาโดยธรรมอาหารที่มาโดยธรรมก็คืออาหารที่งดเว้นที่ไม่ใช่อาหารที่ได้มาเพราะการหลอกลวงอาหารที่ได้มาเพราะการหลอกลวงเป็นอย่างไรนะก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมอะไรอย่า ง, างนั้นหรอกเสร็จแล้วก็แสดงตัวให้คนเนี่ยคิดว่าตัวเองมีคุณธรรมอันนั้นขึ้นเพื่อให้เขาศรัทธาเพื่อให้เขาเลื่อมใส ยกตัวอย่างตัวเองมันเดชฌานอะไรหรอกแต่ทําตัวเหมือนคนจะเข้าฌานออกฌานอยู่เรื่อยลักษณะนนเนี่ยนะให้เขามีศรัทธาให้เขาเลื่อมสายให้เอาเอาปัจจัยมาถวายอันนี้เรียกว่าอาหารที่ได้มาโดยไม่ถูกทำหรื อ, อการต่อลาบด้วยลาบนะเขาเรียกว่าให้ใบไม้ให้ไม้ไผ่ให้ข้าวของเครื่องใช้แก่คารวาะให้ไปวันหลังเขาจะได้มีศรัทธาเขาจะได้เอามาทําบุญกับเราบ้างนะ ก็เหมือนกับมาถึงก็มีข้าวมีของเอาไปฝากเอาไปติดไม้ติดมือให้เขาเลื่อมสายพอเขาเลื่อมสายแล้วเขาก็จะได้เอาอาหารมาถาวายนะเอาปัจจัยสี่มาถาวายอันนั้นไม่ชื่อว่าเป็นของที่ได้มาโดยธรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงมีพระวินัยบัญญัติว่าทำศรัทธาไทยให้ตกนะในข้อเช่นได้อาหารมาตัวเองยังไม่บริโภคก่อนให้คารวะที่ไม่ใช่บิดามารดาเป็นต้นเนี่ย น, นะอ่ามันมีหลักเรื่องทำศรัทธาไทยให้ตกเป็นอาบัติออง ได้พามาถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นอบัติีกอันไม่ใช่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปไปให้กับคารวะหรือภิสูบบางรูปนั้นเอาครุพันของสงไปให้คารวะเป็นมหาโจรนะเอาเพื่อที่จะสงเคราะห์ญาติโยมก็เลยเอาครุพันของหนักของส ง, งนะเช่นพวกหม้อพวกกระทะพวกอะไรที่มันดีๆของที่มันมีค่าระดับหนึ่งไม้เนี่ยก็ไม่ได้ ให้พวกไม้พวกเครื่องเรือนพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ที่มีค่าเพื่อที่จะประจบค า, ารวะเป็นต้นพวกนี้ก็คือเป็นอาหารที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมหรืออาหารที่ได้มาเพราะการอวดอุตริมนุสธรรมไปอวดอุตริมาว่าโอ้ยข้าพเจ้านี้มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าวางแผนหลอกลวงซึ่งกันและการท่านชมข้าพเจ้านะข้าพเจ้าจะชมท่านต่างคนต่างชมซึ่งกันและการยกย่องซึ่งกันและการเดีย๋ยวยมอมมีตถาถานั่นแหละเดี๋ยวเขาก เ, เอามาถวาย อ า, อาหารที่ได้มาลักษณะนี้ชื่อว่าไม่ถูกทำประพฤติผิดอนเนสนากรรมตรงนี้วินัยเกี่ยวกับเรื่องอาชีวะปริสุทธิ์ศีลเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมากแล้วอาหารที่ได้มาถูกทำนี่เป็นอย่างไรก็คืออาหารที่ได้มาจากการบินทบาทเป็นต้นแต่การบินทบาทนี่ก็มีหลักการเดินบินทบาทอีกนะว่าเงื่อนไขของการเดินบินทบาทให้เป็นอย่างไรจึงจะชื่อว่าโดยธรรม แล้วก็การบินทบาทนี้นะก็มีข้อวัดมีพระวินัยบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องหลักการบินทบาทอีกเหมือนกันนะต้องต้องเป็นไปตามคำสอนอันนั้นและอีกอย่างหนึ่งทายทานหรือปัจจัยสี่ที่ได้มาโดยเพรา ะ, ะการประพฤติตามธรรมตามวินัยเป็นต้นที่ทําด้วยใจบริสุทธ์นะเกิดขึ้นเช่นแสดงคำเป็นต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์จริง หรือว่าประพฤติทุดงเป็นต้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วเกิดทายทานเหล่านั้นขึ้นแล้วก็อันนี้เรียกว่าปัจจัยสี่ที่ได้มาโดยธรรมแล้วก็มาแบ่งปันแบ่งลาบที่หามาได้เป็นสาธารณะแก่เพื่อนพระภิสุทธิ์สัมมณเณรอันบางองค์นั้นถ้าหากว่าสมาทานที่จะประพฤติสารานณยธรรมนี่ก็จะบินทบาตมาแล้วก็วางไว้ในบาสนะจะเอาบาสนี่แทบจะวางไว้องไหนอยากได้อะไรก็เลือกเอาไปฉันก่อน เหลือเท่าไหร่ท่านก็ฉันเท่านั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าสาธารณโภคีอันผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้จะมีผลมากมีย น, นิสงมากมีมีข้อความในอัตถกถาหลายแห่งอธิบายถึงพระภิกษุที่ประพฤติสารานิยธรรมสารานิยธรรมมีว่าผู้ใดที่ประพฤติสารานิยธรมม ร, า ร, ายธรมได้สิบสอปีเนี่ยจะเป็นผู้ที่เลิศ ด, ด้วยลาบจะเป็นผู้ที่เลิศ ด, ด้วยลาบแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่นําเสนอ เจนพรเพราะว่าสารานิยธรรมก็คือทำให้เป็นที่ระลึกถึงกันนะผู้นั้นจะเป็นที่รักเป็นที่ระลึกถึงบุคคล น, นั้นและอีกอย่างหนึ่งผู้นี้เนี่ยให้ทาน12ปีอะแล้วเจริญเมตตากายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยนะทำกุศลอย่างเงี้ย12ปีอะสืบเนื่องกันใน ล, ลักษณะเนี่ แล้วก็เวลาคนอื่นเขาเอาอาหารที่ที่ในบาทนะไม่เหลือให้แม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่รู้สึกเสียใจไไม่โกรธดีใจซะอีกเออดีอะรักษาอไรอัปปาราปริยะเจตนาไว้ดีมากเลยไม่รู้สึกโกรธเขาเอายิ่งเอาไปยิ่งดีบินธบาตได้มาอีกกว่าชั้นไม่ได้กไม่ชั้นแต่ก็ยินดีที่จะให้ทานถ้าคนที่ประพฤติได้ขนาดนี้ น, นะหลังจากสิบสองปีไปแล้วเนี่ยจะเลิศด้วยลา แต่ถ้าหากว่าวันไหนตะบะแตกคือโกรธอย่างเงี้ยเขาเอาฉันหมดเลยบน่นอุบเลยเนี่ยนับหนึ่งใหม่อีกสิบสองปีใหม่เลยอย่างไงเอาได้ได้เกือบสิบสองปีแล้วพรุ่งนี้ครบสิบสองปีะนะตะบะแตกวันถุ้ายอย่างเงี้ยก็นับหนึ่งใหม่อ้าบุญก็ได้ไปแล้วคนลนยกันแต่ว่าสารานิยธรรมไม่บริบูตรยังไม่ถึงจุดนั้นเจนะนับหนึ่งใหม่เนี่น ในเรื่องของการศึกษาพรหมมิหารก็คือการศึกษาสารานิยธรรมนั่นเองอนะผู้นคนที่จะบำเพ็ญเมตตาพรหมมิหารเป็นต้นคนเหล่านั้นจะต้องศึกษาเรื่องกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อหน้าและลับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและลับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง อนนะเพราะว่ากายกรรมก็แบ่งเป็นสองใช่ไหมวจีกรรมก็เป็นสองมโนกรรมก็เป็นสองแบ่งมาแล้วเป็นหข้อดังนั้นการเจริญภาวนาให้มันได้ฌานนั้นก็คือข้อที่เท่าไร่ข้อที่เท่าไรทำใม้ได้ฌานข้อที่หนะข้อเมตตามโนกรรมรับหลังข้อนั้นอาจจะทำให้ได้ฌานถ้าประพฤต แต่ถ้าหากว่าข้อหนึ่งข้อสองไม่ได้เลยนะจะเอาแต่ข้อสุดท้ายสับเพสับตาเวลาโหนตัเนี่ยก็ว่าแต่คือวาจาดีแล้วแต่ใจเนี่ยยังไม่ดีพองั้นะเพราะฉะนั้นไอวาจาที่ว่าเนี่ยดีทํายังไงจะเปลี่ยนแปลงใจให้ให้เป็นอย่างที่พูดอะ่ะนั่นแหละเั้นการที่จะฝึกหัดดับใจให้เป็นอย่างที่พูดจริงๆนั้นอะ่ะจะต้องฝึกในเรื่องเมตตากายกรรมต่อหน้าให้ได้ คือคือเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือกิจการงานได้อะมีกิจการงานอันใดที่คนอื่นเขาทําที่เราพอช่วยเหลือได้ก็ไม่นิ่งดูได้อ น, นะฝึกปฏิบัติลักษณะนี้เรียกว่าเป็นเมตตากายกรรมต่อหน้ากิจการงานอะไรที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นได้บ้างนะซึ่งเราสามารถพอที่จะทําได้ซึ่งคนอื่นเข้าทำค้างค้างคาเอาไว้ พอที่จะช่วยได้ไหมไม่รู้สึกบน่นไม่รู้สึกตำหนิในใจอันนี้เป็นเมตตากายกรรมลับหลังนะถ้าเราสมาทานประพฤติแบบนี้บ่อยๆต่อไปเมตตาพรหมิหารจะพอไดนะ้แล้วต่อไปอีกสมาทานประพฤติเมตตาวจีกรรมอันนี้นี่สําคัญพอสมควรนะทำอย่างไรที่จะมีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าได้ ฝึกยังไงเมตตาวจีกรรมเมตตาก็คือความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรการมีไมตรีจิตจิตที่ไม่ตำหนิจิตที่ไม่ดูหมิน่นจิตที่ไม่เหยียดหยามจิตที่ไม่กระด้างนะเป็นจิตที่หวังดีต่อคนอื่นจริงๆริงหการเจริญเมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็คือพูดยังไงให้คนมีความสุขได้เอะเคยพูดให้เขาสบายใจไหมเคยคิดเออคนนี้เขากาลัง ไม่สบายใจเลยเอ๊ะเราจะพูดอะไรนะให้เขามีความสุขแต่ไม่ใช่เพอร์เจอร์นะเพอร์เจอร์ไม่ใช่เมตตาและศีลอย่างรักษาไม่ได้เลยว <c oughs> จีทุจริตนะเพอร์เจอร์เนี่ยพูดยังไงพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมแต่พูดแล้วเขาสบายใจอะ่ะอาการฝึกใช้วาจาในลักษณะนี้เป็นเมตตาวาจีกรรมต่อหน้านะฝึกใช้นะถ้าจอยากให้ดีทําไงนะ ศึกษาปัตยบิดกบเยอะๆแล้วก็ฝึกึกกแสดงทมอ่ะนั่นแหละเป็นเมตตาวจีกรรมต่อหน้าคือเอางี้นะว่าเราคงไม่เอาคนอื่นเป็นประมาณใช่ไหมการเจริญเมตต า, ตานี้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลผู้เจริญใช่ไหมนั่นแหละ เราต้องไม่เอาชาวโลกเป็นประมาทเรามองว่าเมตานี้เป็นกุศลใช่ไหมใช่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษผู้รู้สารเสริญหรือติเตียนผู้รู้สารเสริญผู้ที่ประพฤติบำเพ็ญทำประโยชน์อันนี้เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความสุขทั้งโลกนี้เป็นไปเพื่อความสุขทั้งโลกหน้าแล้วก็การเจริญเมตานั้นเป็นปัใจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจเห็นคุณค่าของเมตตาหรือเห็นคุณค่าของอโทสะเจตสิกอันนี้นะเห็นคุณค่าของเมตตาอันนี้มันก็พยายามที่จะมีเมตตาพูดยังไงให้คนมีความสุขอ่ะคือคือเราก็ไม่ต้องไปถึงกขนาดเราพูดออกทีวีหรือมั้งเนาะ mm hmm. นั่นแหละก็คนข้างๆนั่นแหละพูดยังไงให้เขามีความสุขบ้างอั่นแะฝึกลองฝึกใกล้ๆตัวก่อนใช่ไหม คนที่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะเราจะพูดยังไงให้เขาสบายใจนะเช่นบางเวลาซึ่งมีงานถ้าเขาฟังคำนี้เขาอาจจะยังไม่สบายใจเราก็เก็บรออีกหน่อยใช่หรอให้เขาสบายใจและพูดคุยด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดนะีฝึกใช้วาจาในลักษณะนี้เป็นเมตตาวจีกรรมตอนหน้านะ แล้วก็ไม่พูดเชิงหมิ่นไม่พูดเชิงตําหนิแต่พูดเชิงสร้างสารรคพูดแก้ไขพูดแล้วเขาสบายใจอ่ะเพราะว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยหมิ่นเพื่อนไหมเพื่อนจะไม่หมิ่นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนแท้นะถ้าเป็นเพื่อนแท้จะให้อภัยเสมอและจะไม่ดูหมิ่นไม่ดูแคลนไม่เหยียดย้ำไม่ตําหนิไม่อะไรท้กอย่างปัญหาที่พูดแต่ละอย่างเพื่อการแก้ไขทั้งนั้นเลยะเพื่อการแก้ไข คนที่ฝึกใช้วาจาลักษณะนี้บ่อยๆต่อไปก็จะพูดถึงบุคคลที่สมเมื่อเราอยู่ต่อหน้าบุคคลที่สองต้องกล่าวถึงบุคคลที่สมก็พูดถึงเหมือนกับอยู่ต่อหน้าเขาพูดให้เกียรติเขาในลักษณะนั้นอะ่ะเป็นเมตตาวจีกรรมรับหลังนะถ้าฝึกอันนี้ได้ดีนะศีนเนี่ยดีแล้วเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังดีเนี่ยศีนดีแล้วนะเพราะศีนเป็นเรื่องของ กายการรมและวจีกรรม ท, ทีนี้ก็ฝึกมนโนกรรมนะฝึกมนโนกรรมที่เป็นมนโนกรรมที่หวังดีปรารถนาดีต่อต่อคนอื่นจริงๆอ่ะด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เขาเป็นเหมือนกับพี่เป็นเหมือนกับเพื่อนเป็นเหมือนกับน้องเป็นเหมือนกับลุงเป็นเหมือนกับป้าเป็นเหมือนกับน้าเป็นเหมือนกับอาเป็นเหมือนกับกับคนที่เราเนี่ยไม่นึกตำหนิเลยอ่ะ ใครก็ได้ที่เราให้เกียรติคนนั้นมากอะ่ะทายังไงเราจะเริ่มฝึกความคิดอันนี้เนี่ยกับสัตว์ทั้งหลายอื่นๆเหมือนอย่างนั้นอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเจริญเริ่มฝึกเพื่อที่จะเจริญพรหมวิหารชําระกายกรรมชําระวจีกรรมฝึกเพื่อที่จะรองรับพรหมวิหารต่อไปทีนี้พอเรามีความเข้าใจในเรื่องกายกรรมวจีกรรมที่เป็นเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังได้ดีและ นี่เราก็เริ่มฝึกเมตตามนโนกรรมเอ้ทำยังไงละ่ะถ้าหากว่าเราคิดให้คนอื่นมีความสุขมันคิดไม่ได้ทำไงชั้นต้นฝึกคิดให้ตัวเองมีความสุขก่อนใช่ไหมฝึกหวังดีปรารถนาดีต่อตัวเองก่อนเอ้พี่เลี้ยงมาอยู่นะจากแอมทิง้งหายเลยกันนี้ ซึ่งคงจะได้เข้าพรมิหารบ้างนะโหเลี้ยงมานานแล้วใครนะเปิดเปิดหน้าแรกเลยนะเปิดพรมิหารหน้าแรกเลยจะได้เริ่มเข้าสู่เรื่องสักทีนะ่เดี๋ยวพรมิหารไม่จบเกิดขึ้นเรื่องใหม่อีกแย่เลยชาตินี้งคงทางานอะไรไม่เสร็จกอย่างเขาอ่ะฉายาหลักๆ ก, ก็คือผู้ที่ทำงานค้างคา ตสร็จสัเรื่องเลยอะชาตินี้ไม่รู้จะทําอะไรเสร็จกับเข้าบ้างนะยังไงยังไงก็พรหมมีหารเสร็จตั้งหน่อยนะเนอะเลยนะจะเป็นลูกเป็นหลานพรหมเขาบ้างคนที่จะเจริญเมตานั้นหลักของการเจริญเมตตาเงื่อนไขมีอยู่สองอย่างสองอย่างก็คือหนึ่ง เห็นโทษของโทสะสองเห็นอนิสงค์ของขันติหรือเมตตานะต้องเห็นอนิสงค์ของเมตตาจริงๆอ่ะจึงจะเจริญได้อ่าทีนี้ในการเห็นโทษของโทสะนั้นผู้ที่ทรงจําพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มากก็จะได้ได้กําไรแล้วตรงนี้ใช่ไหมพระองค์นั้นตนําหนิเรื่องโทสะไว้ยอย่างไรบ้างนะตำหนิจริงๆเลยโทสะเนี่ย ซึ่งต่อต่อไปเราจะได้กล่าวแต่ตรงนี้ยังไม่ได้กล่าวแต่จะกล่าวถึงอ น, นิสง์ของขันติคร่าวๆก่อนซึ่งจะได้กล่าวข้างหน้าอีกต่อไปเหมือนกันนั่นแหละอย่างอ น, นิสง์ของขันติใช่ไหมยอย่างในโอวาตปาติโม่พระองค์กล่าวว่าขันติปรมังตะโปตีติขานิบบานังปรมังวันติพุทธาขันติคือความอดกลัน้นเป็นตะบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงพระนิพพานว่าเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมนะขันติความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งตะบะนี้เป็นเครื่องเผากิเลสเป็นชื่อของตะบะเนี่ยเครื่องที่ทําให้กิเลสมันเร้าร้อนน่ะนะคำว่าตะบะนะตะโปเนี่ย ก, ก็คือคุณธรรมที่มันทําให้กิเลสเร้าร้อนอะ่ะอั้นคนที่มีขันติมากมนี่กิเลสอยากร้องไห้เลยโทรศัสทนี่เสียใจยแย่เลยนะคนมีตบะมากมากเนี่ย กุศนไม่ได้ช่องหรืออย่างหนึ่งว่าขันติพลังพลามีกังตมะหั่งพรูมิบราหมนังว่าั้นเรากล่าวถึงบุคคลผู้มีขันติเป็นกําลังมีกําลังคือขันติเป็นกองทัพนั้นว่าเป็นพราหมณ์มีขันติหรือมีอโทสาเนี่ยเป็นกองทัพเลยนะไม่ได้มาคนเดียว่ะนะมาเป็นกองทัพเลยนะั้นนง คนอื่นเขาด่าเป็นชุดใหญ่ขนาดไหน